ครูเดียวทั้งสองก็มองเห็นเช่นเดียวกับอีกสี่คนที่เห็นอยู่ก่อนต่างเต็มไปด้วยความงงงันและขบคิดแสงประดุจฐานไฟก้อนนั้นมีอาการเหมือนจะตายช้าๆไปตามกิ่งพายอย่างซ่อนเร้นมันคงรีบหลีเรืองๆ อ, อยู่เช่นนั้นไม่ยอมเปล่งแสงเป็นดวงสว่างวูบขึ้นอีกเหมือนจะสำเนียออยู่ในพายและทุกครั้งถ้าฉายไฟขึ้นไปก็จะดับตัวเองมืดสนิท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 บินพระจากซุ้มไผ่ก่อนนั้นบ่ายหน้าหนีเราะลัดไปตามยอดไม้อื่นๆเร็วที่สุดเท่าที่อัตราความเร็วของมันจะอำนวยให้ได้และในครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่เกาะอยู่อย่างยอดไม้ใดนอกจากจะมุง่งหนีรุดหน้าโดยชวัดชเวียนอาศัยยอดสุมทุ่ ม, มพุม่มไม้แอบกำบังไปตามเร็วเชษฐาร้องลัานออกมาทั้งหมดก็ออกพลูติดตามไปอย่างรวดเร็วในทันทีนั้นโดยไม่ลดละ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 แล้พินร้องตะโกนบอกทุกคนสุดเสียงแล้วออกวิ่งกวดไปอย่างกระชั้นชิดตัวเขาเองไม่ได้ยิงแต่ใช้ไฟฉายในมือสองสะกดไว้ชายยันและดาดินก็กวดตามาอย่างกระชั้นชิดทั้งสามใช้ปืนสั้นประจำตัวระดมยิงการสนั่นวันไว้ส่วนเกิดกับแง่ า, ายก็ส่งเสียงโหร้องเอะอะเอากิ่งไม้ตีป่าไร่ต้อนสกัดเป็นปีกมาทั้งสองด้าน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 จากการไต่สวนไร่เลียงเป็นรายตัวออกมาว่าหนุ่มกะเรียงพเนจร น, นั่นเองเป็นคนสำเนีกภัยคนแรกที่สุดผมรับยามสุดท้ายก่อนจะถึงเช้าต่อจากผู้กองแง่าสายเล่าด้วยเสียงห้าวห้าวเมื่อถูกให้อธิบายถึงเหตุการณ์ตอนนั้นผมนอนหลับหลับตื่นตืนเพราะผู้กองสั่งให้นอนได้แต่ต้องหูไวผมจะเผลอหลับไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบ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 ต่างมัวไประ แ, ว, แวงสัตว์ประเภทเสือหมีหรือไอ้แหวงกันเสียมากกว่าหรือมิฉชนนั้นก็จะมาหิงสาทีถ่ถูกยิงเจ็บไปตัวนั้นอันเนื่องมาจากที่ขโมวดดงเว้นยะไม่ปรากฏวีแววร่องรอยเสียคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนยังรวมกลุ่มแรมคืนกันอยู่ที่ป่งน้ำร้อนถ้าโพรงที่มันหนีหายเข้าไปตรงนี้เป็นรังของมันการที่เราไปพักนอนกันตรงดงรวกเมื่อคืน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 ระหว่างที่เชี่ถากับประพินขบคิดชายยันก็พ้องออกมาว่าจะยากเย็นอะไรถ้ามันเหลือบากว่าแรงนะักเราก็ล้อมเฝ้ามันต่อไปให้เกิดหรือแงสาแ ย, ยากไปพบกับกองกียนใหญ่ของเราคนเอาไดนาไมมายัดเข้าไปตมเดียวเท่านั้นจะให้ภูเขาหายไปทั้งแถบก็ยังไหวไอเรื่องที่จะถลม่มภูเขาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้พินาฏย่อยยับไปด้วยระเบิดหินนะ่ะไม่ยากหรอก เชืถาผู้รอบคอบลึกซึ้งกว่าสหายของเขาแย้งมาเคร่งครึมแต่เราต้องไม่ลืมว่าเราต้องการได้ตัวมันในสภาพที่เรียบร้อยที่สุดต้องการพิสูจน์ได้เห็นชัดปลุก ป, ปลงไปกับตาว่ามันคืออะไรแน่การใช้ระเบิดหินเข้าช่วยมันอาจทําให้เราสูญเสียวัตถุประสงค์ที่ต้องการยิ่งยวดในข้อนี้ไปยัดไดานาไมต์ตุมเข้าไปหน้าผาพังลงมาทั้งแถบแล้วอะไรๆมันก็สูญหายไปหมดภายใต้กองหินทรายนั้นเราก็มืดมนอยู่นั่นเอง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 พอเสร็จสับก็พร้อมที่จะดาเนินการต่อทันทีและพินเข้ามาสำรวจรอยแตกที่เชิงผาด้านนั้นอย่างพิเคราะห์อีกครั้งทุกคนตามเข้ามารายร้อมช่วยกันแย่สำรวจบริเวณข้างเคียงแล้วต่างก็พบกับความมหัศจรรย์ใจงงงวยกันไปอีกครั้งจากโคทินที่งอกอยู่เป็นแง่ตะปุ่มตะปารอบด้านของบริเวณนั้นขณะนั้นมันเป็นเวลาเจดนาฬิกาเศษเล็กน้อย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 เหล่ากับแกล้งเอาก้อนแก้วมาประดับไว้ลักษณะของมันแกล่งใสเหมือนผลึกบางกลุ่มเป็นสีดําสนิทเงาวับประดุดนินบ้างก็ออกแดงจางๆหรือไม่ก็แดงจัดเหมือนทับทิมเหลืองน้ําอ้อยเหมือนบุษราคำและเขียวข่าบะหนึ่งมรกตสวยสดงดงามแลลานตาไปหมดบางแง่หินก็เป็นเกร็ดขาวสายเป็นหนึ่งพลอยมุกดาหารสีสารของกลุ่มหินเหล่านั้นมีทั้งอ่อนและแก่ มีทั้งส่วนที่ยังแยกกันอยู่เป็นชั้นๆขุ่น ม, มัวและส่วนที่ใสเป็นแก้วผลึกแล้วกระจัดกระจายฝังพราอยู่ตามพื้นและแงะโขดรอบด้านของปากแองโพรงผาบริเวณนั้นพลานใหญ่เองก็งานไปเช่นกันทั้งหมดหันมาสบตา ก, กันแล้วก็แยกย้ายก้กมลงพิจารณาดูหินสีประหลาดเหล่านั้นอย่างตื่นใจให้ตายสินี่มันอะไรกันนี่